จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่ททานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาตักตวประโยชนสุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีใครไม่มีภพใดชาติใดที่จะเหมาะกับการรับประโยชนสุขจากพระพุทธศาสนา เท่ากับภพบชาติของมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเช่นมรรคผลนิพพานนี้ก็เปรียบเหมือนกับอาหารที่มีรสเลิศอาหารที่อร่อยอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากส่วนพวกเราก็เป็นเหมือนกับภาชนะ ที่จะรับอาหารนั้นคือจานหรือชามเป็นต้นถ้าเราไม่มีภาชนะไม่มีจานไม่มีชามเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับอาหารอันเลิศอันประเสริฐคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้เพราะถ้าเรามาเกิดเป็นเดรัจฉาน มาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวถึงแม้จะมาอยู่วัดแต่ก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาได้หรือถ้าไปเกิดในสวรรค์ก็ไม่มีพระ พ, พ, พระพุทธศาสนาอยู่ในสวรรค์ที่จะมาสั่งสอนที่จะให้ผู้ที่อยู่ในสวรรค์นั้นได้ตักตวงประโยชน์สุขได้ และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็จะมีความสุขของตนอยู่แล้วจึงไม่ค่อยสนใจที่จะตักตวงหาประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นไปอีกหรือถ้าไปตกนรกก็อยู่ในที่ที่ถูกความทุกข์เผาผลาญอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่มีสติสตังพอที่จะเงยหัวขึ้นมารับคำสอน ได้ถ้ามีคําสอนอยู่ในนรกแต่พระธรรมคําสอนก็ไม่ปรากฏในนรกเช่นเดียวกันมีพบของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะมาปรากฏของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่จะประกาศพระธรรมคําสอนและสืบทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ สุขแก่สัตว์โลกคือมนุษย์ที่ได้มาเกิดในโลกนี้นั่นเองดังนั้นพวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนาอย่างมากที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในตอนนี้และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ควรปล่อยเวลาอาันมีคุณค่านี้ให้ผ่านไป เพราะถ้าเราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่แล้วเพราะโอกาสที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นพันนุษย์อีกครั้งหนึ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายอาจจะต้องรอเวลาหลายพันปีหลายหมื่นปีหรือหลายล้านปีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ และในตอนนั้นพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะที่ควรอย่างยิ่งสําหรับการบําเพ็ญบุญบา ร, รมีสำหรับการสร้างบุญบา ร, รมีสําหรับการรับประโยชน์สุขเช่นมรรคผลนิพพานจากพระพุทธศาสนาไม่มีเวลาอื่นที่จะ ดีเท่ากับเวลานี้เพราะในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตที่จะตามมาเราไม่ทราบว่าเราจะมีเวลาว่างหรือไม่หรือเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่หรือเราจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะตักตวงประโยชน์สุก์จากพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อนาคตนี้ไม่มีใครรู้เราจึงไม่ควรประมา อย่าไปคิดว่าวันนี้เป็นอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันอาจจะเป็นเหมือนกับวันนี้ในพรุ่งนี้แต่มาวันนี้มันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปก็ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตของเรานี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์สุขเท่าที่ควร เราไม่ต้องกังวลถึงเรื่องบุญบา ร, รมีว่าเรามีไม่มากพอไม่สามารถที่จะตักตวงประโยชน์สุขอันนี้ได้เพราะถ้าเราเริ่มสร้างบุญบา ร, รมีกันเสียตั้งแต่วันนี้แล้วไม่นานเราก็จะสามารถรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ไม่เหมือนกับเวลาที่เราบำเพ็ญบุญบา ร, รมี ในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าบุญบา ร, รมีต่างๆนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องบำเพ็ญกันแต่ในตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนาคอยสอนคอยบอกให้เราบำเพ็ญบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆกันเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติหรือบำเพ็ญบา ร, รมีในทางที่ผิดในทางที่ไม่ได้ส่งเสริม ให้เราได้รับประโยชน์สูขจากพระพุทธศาสนาในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนานั้นจึงต้องใช้เวลาอันยาวนานที่จะบำเพ็ญบุญบา ร, รมีเช่นพระโพธิสัตว์แต่ละองค์กว่าจะบำเพ็ญบุญบา ร, รมีตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องใช้เวลาเป็นกับเป็นกันถึงจะสามารถบรรลุได้แต่พอ มีพระศาสนามีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนแล้วผู้ที่มีบารมีต่างๆที่ได้สะสมมาก็สามารถบรรลุผลคือมักผลนิพพานได้กันเป็นจํานวนมากมีจํานวนที่แตกต่างกันไปตามขั้นของบุญบารมีบางคนก็บรรลุถึงขั้นสูงสุดบางคนก็บรรลุถึงขั้นแรก แล้วก็บำเพ็ญต่อไปอีกไม่นานก็สามารถบรรลุจนถึงขั้นสูงสุดได้ในชาตินี้เลยทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าทรงทานายไว้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนได้อย่างเคร่งครัดอย่างสม่ำเสมอภายในเจ็ดปีเป็นอย่างชา้าก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้หรือถ้าเป็นผู้ที่มีความเพียรอันแก่กล้า มีความอดทนมีสติปัญญาอันแหลมคมก็อาจจะใช้เพียงเวลาเพียงเจ็ดวันก็สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้เพราะตอนนี้มีทางแล้วมีแสงสว่างแล้วไม่เหมือนกับตอนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาตอนนั้นจะไม่มีแสงสว่างจะไม่มีทาง ก็จะไม่รู้ว่าทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นอยู่ตรงไหนไปอย่างไรก็ต้องวนไปเวียนมาทำไปคำมาก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานมากจนกว่าจะพบทางพบมรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองดังที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายต้องบำเพ็ญบุญบารมีกันเป็นเวลาอันยาวนาน ถึงจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนแล้วผู้ที่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาในระดับต่างๆกันก็สามารถบรรลุธรรมได้กันในระดับต่างๆกันเป็นจํานวนมากบางคนฟังทำเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้บางคนก็ฟังหลายครั้งหน่อยแล้วถึงค่อยบรรลุ ตั้งแต่ขั้นโสดาบันไปจนในที่สุดก็บรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินี้เลยไม่จําเป็นจะต้องบำเพ็ญบุญบรารมีเป็นกลับเป็นกานเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเพราะพระพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาคอยบอกคอยสอนทาง จึงไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนไม่มีแสงสวา่างต้องคําไปคลำผิดคําถูกแต่ในที่สุดด้วยความอุตสาหะภาคเพียรด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งด้วยความฉลาดแหลมคมก็ทรงทาให้ก็ทาให้พระ อ, องค์ได้สามารถบรรลุเป็นพระ อ, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พวกเรานั้นถือว่า กานบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทางที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานพาเราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพนี้ในชาตินี้เลยถ้าพวกเรามีศรัทธาที่จะบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆต่อไปอย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่อย่างไม่สงสัยเคลือบแคลงใจเลยรับรองได้ว่าไม่นาน อ น, นิสงส์ผลบุญต่างๆของพระพุทธศาสนาก็จะเป็นสมบัติของท่านละอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้พวกเราก็มาวัดกันก็เพื่อมาบ ำ, พบำเพ็ญบุญบารมีรรรต่างๆนั่นเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญด้วยกันเช่นทานบารมีการให้เช่นเมื่อกี้เราทำบุญตกักบาตรถวายสังฆทาน ที่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญทานบรารมีเราก็สามารถบำเพ็ญจากขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงสุดถ้าขั้นต่ำก็บำเพ็ญไปตา ม, มตามบัธยาสัยวันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำก็ไม่ทำถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็กําหนดเวลาว่าจะต้องทำทุกวั น, วนเช่นอย่างน้อยทุกเช้าต้องตักบาตทุกวันพระก็ต้องทำบุญถวาย สังฆทานหรือถ้าจะทำอย่างขั้นสูงสุดก็สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็ออกบวชเลยเพื่อเราจะได้บาเพ็ญบา ร, รมีขั้นต่อไปเพราะนอกจากทานบา ร, รมีแล้วเรายัางต้องบาเพ็ญศีลบา ร, รมีเนกข ม, มะบา ร, รมีศีลบา ร, รมีก็คือศีลห้า ในคข ม, มะบารมีก็คือการออกบวชหรือการถือศีลแปลถือศีลสินี่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญในคข ม, มะบารมีเราต้องการออกจากกามสุขไม่ต้องการติดอยู่กับความสุขที่เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ความสุข ที่เราได้จากการเศษกลางคือรูปเสียงกลิ่นรสผธภนะันั้นเมื่อมันจางหายไปก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะได้กันคนฉลาดจึงเห็นว่าทางที่จะไปสู่ความทุกข์อย่างแท้จริงนั้นต้องออกจากกลามาสุดต้องไม่สแสวงหาความสุดจาก รูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆก็เลยตัดสินใจบำเพ็ญทานบาราีขั้นสูงสุดคือบรอยจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ตนมีอยู่นั้นไปหมดแล้วก็ออกบวชมาถือศีล10บ้างศีล227บ้างก็สุดแท้แต่เพศแต่วัยที่จะต้องบำเพ็ญกันไป ก็บำเพ็ญจำไปนี่เรียกว่าการบำเพ็ญศีลบา ร, รมีหรือทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนี้ก็หมายถึงผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชเลี่ยงน้อยก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้เป็นปกติทุกวั น, ท, วนทุกเวลาเรียกว่าเป็นนิจศีลส่วนศีลแปก็รักษาในวันอุโบสถในวันพระวันธรรมัสวานณะเพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจ ให้ปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะต่อไปเมื่อจิตใจได้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะพร้อมที่จะบำเพ็ญเนคขมมะบารมีต่อไปคือออกบวชได้เมื่อออกบวชแล้วก็ให้ก็ต้องบำเพ็ญอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี้แปลว่า ความตั้งใจคาอธิษฐานนี้ไม่ได้หมายความว่าขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากผู้หนึ่งผู้ใดอธิษฐานนี้หมายถึงให้เราตั้งเป้าไว้ตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออยากจะไปที่ใดที่หนึ่งเราก็ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งใจเอาไว้เช่นวันนี้เราอยากจะมาวัดเราก็ตั้งอธิษฐานว่า วันนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วจะมาวัดจะเอาข้าวเอาของต่างๆที่ได้เตรียมไว้มาทำบุญที่วัดถ้าไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้ววันนี้ตอนนี้ก็ยังอาจจะไม่ตื่นก็ได้เห็นว่าไม่รู้จะไปไหนไม่ได้ตั้งใจจะไปไหนก็เลยนอนต่อหรือตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะมีเพื่อนโทรมาชวนให้ไปทำธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งก็จะไม่ได้มาวัดกันแต่ถ้าเราได้ตั้งใจได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะมาวัดมาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรมมาบําเพ็ญบารมีต่างๆแล้วถ้าเราได้ตั้งจิตไว้แล้วโอกาสที่เราจะไม่มานี้ก็จะมีน้อยมากแต่ก็ยังจะมีได้ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอย่างใดอย่างหนึง่ง อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นมาก็ได้หรือมีธุระจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องไปทำก่อนก็อาจจะไม่ได้มาวันถึงแม้ได้บาเพ็ญอธิษฐานบามีแล้วก็ตามถ้าอยากจะมาอย่างร้อยเปอร์เซนอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อย 99% กซ็ตก็ต้องมีสัจจะบามีต้องบาเพ็ญสัจจะบามี คือต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำตั้งใจไว้แมน้นอกยกเว้นว่ามันสุดวิสัยจริงๆเช่นล้มป่วยจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นอย่างนี้หรือตายไปอย่างนี้ถึงมาไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นแล้วจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างอื่นมาฉุดลากให้ไปทำในสิ่งอื่นๆจะต้องมาวัดให้ได้ก่อน ถ้ามีสัจจะบารมีนี่คือบารมีที่เราควรที่จะฝึกฝนตั้งกันบำเพ็ญกันอยู่เรื่อยๆคือเราต้องตั้งเป้าหมายของเราว่าเราจะไปทิศทางใดเราจะไปเป็นมหาเศรษฐีหรือเราจะไปเป็นพระอระหันต์เรายังอยากจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ยังอยู่ในกองทุกข์ของแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ื่อเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการว่าเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตั้งเป้าเอาไว้เมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องดำเนินไปตามทางที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้ถ้าเรายังตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอยู่เราก็ยังต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองแต่อย่างน้อยเราก็ยังสามารถบำเพ็ญบารมี บ, บง ส่วนได้อยู่เพื่อปกป้องรักษาภพชาติของเราไม่ให้ตกต่ำได้เช่น ย, ยังให้บำเพ็ญทานบารมีตามกําลังศรัทธาให้บำเพ็ญศีลบารมีตามกําลังศรัทธาไปก่อนก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้บำเพ็ญอะไรเลยแต่ถ้าเราะมุ่งมั่นที่จะไปสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีให้มากจนจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็บำเพ็ญศีลบารมีให้อย่างสม่ำเสมอแม่ให้ขาดและต้องบำเพ็ญเนคขมมะบารมีในที่สุดออกบวชเมื่อออกบวชแล้วก็ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบำเพ็ญมรตหรือบาปุนบารมี ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเช่นเมตตาบารมีเช่นปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเราก็ต้องบำเพ็ญไปด้วยการเจริญวิริยะบารมีคือความภาคเพียรอุสาหะบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยไม่ยอมเสียเวลา ไปกับการกระทําภารกิจอย่างอื่นนอกจากเป็นภารกิจที่จำเป็นคือการรับประทานอาหารการอาบน้ำอาบท่าการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายและสถานที่ที่เราพักอยู่นอกจากนั้นแล้วก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจอื่นๆถ้าเป็นนักบวชก็มีภารกิจอยู่สองอันที่เรียกว่าธุระ คือการทัุระและวิปัสนาทุระคันถัฐุระก็คือการศึกษาร่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็ดีหรือด้วยการอ่านหนังสือธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ดีหรือหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีเรียกว่าเป็นคันถัฐุระศึกษาแนวทาง ศึกษาแผนที่ให้รู้ว่าทางที่เราจะต้องไปนั้นไปอย่างไรไปทางไหนทางที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี้เราก็ต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเช่นเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นเบื้องต้นในการที่จะทำจิตให้สงบได้นั้นสติเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถ บำเพ็ญจิตตภาวนาได้จะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้จะไม่สามารถพิจารณาธรรมให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าไม่มีสติแล้วการบำเพ็ญนี้ก็จะไร้ผลสตินี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเป็นธรรมที่สำคัญเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายนี้ต้องอาศัยสติเป็นผู้นา ทรงเปรียบรสตินี้เป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นๆทั้งหมดรอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดสติที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการบำเพ็ญ ร, รมต่างๆต่อการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆก็คือสตินี้เอง เช่นการที่จะบำเพ็ญขันถธทุระคือการศึกษาพระธรรมคําสอนได้ก็ต้องมีสติเวลาฟังธรรมะจิตใจของเราจดจอ่ออยู่กับการฟังหรือไม่ถ้าฟังแล้วแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นหรือไปนั่งคุยกันหรือไปทําอย่างอื่นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับการฟังประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟัง เช่นมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่ปรากฏขึ้นหรือความผ่องใสของจิตใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่มีสติคอยดึงใจไวให้รองรับพระธรรมคาสอนที่เข้ามาสัมผัสกับหูมาถึงหูแล้วแต่ใจไม่รอรับใจหายไปไหนก็ไม่รู้ใจไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังก็ไม่ได้เมื่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ว่าจะไปปฏิบัติได้อย่างไรหรือปฏิบัติให้ถูกให้เกิดเป็นผลขึ้นมาก็จะไม่สามารถดําเนินได้ถ้าคำถาทุระไม่เป็นไปแล้ววิปัสนาทุระซึ่งเป็นงานขั้นที่สองของการ บำเพ็ญบุญบารมีต่างๆก็จะไม่สามารถปรากฏตามขึ้นมาได้ดังนั้นจึงควรที่จะพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆสติก็คือความรู้หรือความรู้สึกตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นเรากำลังพูดอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังทำอะไรเรารู้สึกตัวหรือเปล่า ถ้าเรารู้สึกตัวเราจะต้องรู้ว่าเราทำดีแล้วทำไม่ดีถ้าเราไม่มีสตินี้เรามักจะไม่รู้สึกตัวเราคิดไม่ดีแล้วเราก็ปล่อยความคิดไม่ดีนี้ออกมาทางวาจาทางการกระทำเช่นเราเกิดความโลภอยากได้ของผู้อื่นเราก็หยิบมาโดยที่เราไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตอย่างนี้แสดงว่าเราทำไปโดยไม่มีสติ คือไม่มีสติพอที่จะยับยัง้งหรือที่จะรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้แต่ถ้าเรามีสติและเราได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะไปเอาของของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตก็เป็นเหมือนกับการลักขโมย เป็นการทำผิดสิ่งถ้าเรามีสติพอเราคิดจะทำอย่างนั้นเราก็จะหยุดความคิดนั้นได้เมื่อไม่มีความคิดนั้นอยู่การกระทำนั้นก็จะไม่มีตามมานี่คือตัวอย่างของการมีสติเราจึงควรที่จะฝึกให้มีสติอยู่กับกายวาจาใจของเราตลอดเวลาทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคอยเฝ้าดูกายวาจาใจของเรา ก่อนจะทำอะไรให้ดูใจก่อนว่ากำลังคิดจะทำอะไรเมื่อเริ่มทำก็ให้ดูที่กายว่ากำลังทำอะไรทำถูกหรือทำผิดอย่าส่งให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่ห่างไกลจากกายจากใจให้อยู่แถวกายกับใจกับวาจาของเราอย่างนี้เรียกว่ามีสติแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะทำจิตใจให้สงบ ด้วยการควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับบทสวดมนต์ใจก็จะไม่ลอยไปเรื่องอื่นก็จะอยู่กับอารมณ์นั้นๆแล้วถ้าอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะรวมลงสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วจะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ เป็นความสุขที่ไม่มีสุขอื่นใดในโลกนี้จะจะสู้ได้ถ้าได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะเกิดฉันทะความยินดีความพอใจที่จะทำให้ความสุขอย่างนี้เกิดขึ้นมากขึ้น<ม>ก็ยินดีที่จะบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุดได้ยินดีที่จะบริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ทั้งหมดได้ยินดีที่จะบำเพ็ญเนฆะคัมภะบามีออกบวชได้และยินดีที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกคืนจนกว่าผลที่จะพึงจะได้รับนั้นปรากฏขึ้นมาจนกว่าจะได้ผลเต็มที่แล้วถึงจะหยุดการบำเพ็ญการบำเพ็ญทางพระพุทธศาสนานี้ เป็นงานที่มีจุดจบมีที่สิ้นสุดไม่เหมือนกับงานทางโลกต่อให้ทำไปมากน้อยเพียงไรมันก็มีงานให้เราคอยทำอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ไหวหรือเรายอมแพ้มันเท่านั้นเพราะว่าในโลกนี้มันมีเรื่องอะไรต่างๆที่จะคอยชักจูงให้เราคอยไปทาอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราทานาทางธรรมะแล้ว นี้จะมีจุดจบคือเมื่อเราได้บรรลุถึงพระพระนิพพานแล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราก็จะถึงเมืองพอถึงเมืองอิ่นจะไม่หิวไม่อยากจะไม่มีความสนใจกับอะไรอีกเลยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรอีกแม้แต่สังขารร่างกายนี้ก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไรอีกต่อไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะหยุดทำงานก็ปล่อยให้มันหยุดได้อย่างสบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่คิดอยากได้อะไรไม่คิดจะไปเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คืองานของทางศาสน า, ศ า, าเมื่อ บ, บำเพ็ญถึงขัง้นสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องบำเพ็ญอีกต่อไป แต่งานที่ทรงทํำหลังจากนั้นก็เป็นงานการกุศลเป็นงานช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่ได้หวังผลบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นทําไปด้วยความสงสารมหาด้วย ะ, วะมหากรุณาสงสารที่สารโลกนี้อย่างมืดบอดยังต้องยังต้องครุกเท้าอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับกองทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิ้น จึงทรงสละอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่นี้ต่อการอบรมสั่งสอนสัตว์โลกให้มีหูตาสว่างให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งก็ทรงสามารถช่วยเหลือสัตว์โลกได้เป็นจำนวนมากมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นจำนวนมากจนกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนี้ ถึงแม้พระองค์จะจากเราไปเป็นเวลาถึง 2,500 ปีแล้วกว่าปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นศาสดาแทนพระองค์ได้อยู่ยังสามารถสั่งสอนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสบรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้มีเป็นจำนวนมากอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่ต้องไปกังวลสงสัยกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ายังมีประสิทธิภาพยังสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่เพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆเช่นสินค้าต่างๆในโลกนี้ ที่มีวันหมดอายุยานี่มีวันหมดอายุอาหารมีวันหมดอายุถ้าหลังจากวันหมดอายุแล้วรับประทานเข้าไปแทนที่จะเกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษขึ้นมาแต่พระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันหมดอายุเป็นอาการลิโกปฏิบัติได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานที่และจะได้รับประโยชน์เสมอไปจึงขอให้เราจง ใช้เวลาของชีวิตที่มีคุณมีประโยชน์นี้ไปกับการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปเหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักอายุของเราจะค่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆวันเวลาที่จะหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจึงขอให้เราพยายามลำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ แล้วจะทำให้เราไม่ประมาทนอนใจจะทำให้เราเรียบเร่งขวนขวายสร้างบุญบารมีให้เสร็จก่อนที่ชีวิตนี้จะหมดไปจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ให้ท่านได้ไปพิริพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา